ทัหลายสําหรับในตอนนี้ก็จะพูดต่อถึงเรื่องของพระเจ้าพรมมหาราชเรกคณนะบรรดาคนไทยทั้งหลายที่มีจํานวนน้อยกว่าข้าศิก <c oughs> ถ้ายะว่ากันโดยกําลังแล้วก็หนึ่งแล้วก็น้อยก็เท่ากับหนึ่งต่อสี่แต่ถ้าว่ากําลังข่าศึกต้องย่อยยับไป ทันงนี้เพราะว่าอาศัยคนไทยตัดสินใจแน่นอนว่าการรบคราวนี้ก็มีอสองทางถ้าไม่ชนะก็หมายถึงว่าตายทั้งชาติรล้ ว, ว่าคำว่าตายทั้งชาติก็เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ชนะเขาเขาไม่เก็บแน่เพราะเราแพ้ไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็เรากลับมาคิดกระบดถา้าว่ า, าอีกทีเขาก็าหาว่ากระบฏ แต่แน่แท้จริงเรากู้ชาติของเราแต่ฝ่ายที่เป็นศัตรูเขายะไม่ถือว่าเป็นการกู้ชาติคิดว่าเป็นการกรบฏคิดต่รยศต่อเขานี่เป็นอันว่าเราก็ต้องย่อยยับหมดความเป็นคนดังนั้นการรบจะมีความสาคัญอยู่ก็คือหนึ่งการตัดสินใจแน่นอน คำไม่คำว่าไม่กลัวตายยะต้องมีอยู่ในใจถือว่าการรบเป็นของธรรมดาเรื่องความป่วยไข้ไม่สบายการเจ็บการตายเป็นของธรรมดาของนักรบแต่ว่าเราก็ต้องหวังผลผลที่เราจะได้จากการรบนั่นก็คือหมายถึงว่าหนึ่งได้รับอิสรภาพ สองได้รับพื้นที่แล้วก็สามคนเบื้องหลังมีความสุขนก็สี่ชีวิตของเราถือว่าเราสละชีวิตของเราหนึ่งแต่ว่ารักษาประโยชน์คือความสุขของคนเบื้องหลังมากกว่าเราหลายเท่าอย่างนี้จึงจะเป็นนักรบได้ในการรบจริงๆไม่ใช่ถือว่ากำลังเป็นสำคัญ กำลังคนกำลังอาวุธมีความสำคัญถ้าไม่มีเราก็รบไม่ได้แต่าาการรบจริงๆจะมีทั้งกำลังคนและกำลังอาวุธแต่ทว่าขาดกำลังปัญญา <c oughs> ถ้าขาดกำลังปัญญาที่อย่างเดียวเรามีกำลังเท่าไหร่ก็แพ้เขาเท่านั้น เป็นอนุว่ากําลังคนก็นดกีกําลังวัตก็ดีกําลังบัญญากนดีถ้าสามประการนี้ตบสานกันนอกจะนั่นกําลังส่วนสําคัญก็คือกําลังเศรษฐกิจเศรษฐกิจถ้าหากว่าชีวิตเราจะต้องกินเวลารบไม่มีอาหารจะกินก็รบไม่ไหวกําลังที่มีความสมญญําคัญใหญ่ก่อนยรบได้ก็คือกําลังแห่งความสามัคคี ที่พ่อเคยบอกบรรดาลูกรักทั้งหลายว่าคนไทยทั้งชาติคนย่าตั้งอยู่ในสังขหรวัตถุมีศีลเสมอกันมีจาระเสมอกันมีปัญญาเสมอกันมีศรัทธาเสมอกันศีลหมกยวาว่าต่างคนต่างรักความเป็นสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน มีจาค้าเสมอกัรเกื้อกูลซึ่งกันและกันสร้างความรักสร้างความมิปรึกแผ่นไม่มีศรัทธาเสมอกัรหาความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อมีปัญญาเสมอกัรก่อนจะเชื่อใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนทุกคนถ้าอยู่ร่วมกันได้แบบนี้ก็หมายถึงว่าเราทั้งชาติมีความสุข และก็ไม่มีใครสามารถจะมาทำอันตรายได้เป็นนั้นว่าเมื่อพระเจ้าพรหมมหาราชตีไปถึงบ้านทุ่ ง, งยางแล้วก็ไปตั้งบ้านบ้านชมพโรวมคนต่อไปก็เก็บเล็กเก็บน้อยมาพักกำลังพลในสามวันแล้วเห็นว่าถ้าก้วแต่รวมตัวกันดีไฟราบตามมาทัน แล้วก็มีการพักผ่อนพอสมควรต่อไปก็ขยายกำลังเอาเป็นจุดเล็กเอาตอนนี้ขอไม่อยู่เป็นจุดใหญ่แล้วใช้เป็นหน่วยย่อยเจ้เก็บเล็กเก็บน้อยเก็บของที่หมดแรงเจอที่ไหนข้าที่นั่นเจอที่ไหนฟันที่นั่นขึ้นชื่อว่าขอไม่มีความสุข ตอนนี้ต้องใช้เวลาทั้งหน่งเดือนคือเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บตามป่า ก, กว่าจะถึงเมืองกาแพงเพชรต่อมาตามตำนานท่านได้บอกว่ามีพระอินทร์มานินมิตกําแพงเพชรกั้นไว้น่าชิดด้นดายนะความจริงท่านเห็นว่าจะทำบาปมากเกินไปเลยให้วิสร ก, กรรมเรพบุตร มาทำให้ทหารทั้งหมดอ่อนกำลังใจแม้แต่พระเจ้าพรหมมหาราชคิดว่าการเก็บห้าของก็ยากแค่นี้ก็พอเป็นอันว่าขนายขยายอาณาจักรของโยนกตะครจากพอเยาวมาถึงก็แพงเพชรนี่ก็ไม่ใช่ น, น้อยเหมือนกันหลังจากนั้นก็กลับไปเชิญพระราชวินดาขึ้นสเสวรยราชสมบัติ ให้พี่ชายขึ้นเป็นมหาอุปราชแทนนี่ตัวจะขึ้นแล้วก็ตอนนี้ไปทราบเรื่องราวทั้งหมดก็รู้กันอยู่แล้วจบเพียงแค่นี้ตอนนี้ได้ไว้จบโดยเรื่องแต่ยังไม่ได้จบโดยธรรมเท่าที่พ่อพูดนำมาเรื่องข้าพเจ้าพรมมหาราชมาพูดก็ดี เรียนนำมาเรื่องของพระราชาองค์เก่าๆตั้งแต่พระราชินดาเขาแม่เจ้าอัุตราชระพูดก็ดีแล้วก็มาพูดถึงการรบ ก, ก็ดีทั้งหมดนี้ความมุ่งหมายก็มีว่าต้องการให้ลูกหลาของพ่อทุกคนรู้จักความจริงความจริงที่เราหนีไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสัจธรรม สัจธรรมนี่เป็นภาษาบาลีพระบอกว่าใช้สัจธรรมบดหัวทนไม่ไหวไม่เป็นเรื่องเตือนลูกรักทั้งหลายเพราะพ่อเตือนไว้เสมอว่ขาขณะที่พ่อพูดไปคอยลูกทุกคนตั้งใจไว้ในสมาธิคือศีลสมาธิปัญญา ฟังไปด้วยใช้สีนสมาธิปัญญารวมตัวกันเขไว้ทั้งสีนทั้งสมาธิทัญญทงดดพพ้งปัญญาถ้ารวมอยู่ในใจจุดเดียวกันใจก็จะใสสะอาดสีนขัดเกลาผพาพื้นให้ดีสมาธิจับอรมใจให้หนึ่งปัญญาชำระล้ละางความสกปรกของจิตจิตมีอารมณ์ผ่องใส เมื่อจิตมีอารมณ์โปร่งใสกำลังใจก็เป็นทิพย์เมื่อกำลังใจเป็นทิพย์อยากจรรู้อะไรก็รู้ได้ทันทีทันใดที่เราเรียกกันว่าใช้ทิพย์ปัจจคุญานเรื่อเจตโตปปาทิยานเจตโตบริยานปุพพนิวาสานุสติยานตตีตังสิญานนาคตังสยานปัจจุปปังสยานยะถากรมตายาน โดะเฉพาะ อ, อย่างยิ่งบรรดาลูกหักของพ่อได้พิญญาเล็กด้วยกันทุกคนอาพิญญาเล็กนี่เขาเรียกกันว่ามาโนมยิธิหมายถึงว่ามีฤทธิ์ทางใจคําว่ามีฤทธิ์าทางใจหมายถึงว่าใจน่ะมีฤทธิ์คำว่าฤทธิ์หมายถึงว่าเก่งคือใจก็เก่งกว่าใจธรรมดาสามารถจะถอดจิต ออกจากร่างไปสู่ภพต่างๆได้ในสาหรับมโนวิธิเราจะไปเที่ยวเมืองสวรรค์ก็ได้จะไปเที่ยวพรห ม, มโลกก็ได้จะไปเที่ยวนิพพานก็ได้จะไปเที่ยวนรกก็ได้เปรก็ได้อสุรกายก็ได้ไปสูนแดนสตีชัยก็ได้โลกมนุษย์นี้จะไปมุมไหนก็ได้บ้านใครก็ห่วงสำนักงานไหนที่เขาห่วงเราไปเข้าเราเข้าไปได้ นี่ความจริงมีฤทธิ์ทางใจนี่เป็นของดีแตกมมีบางท่านที่ตำหนิพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าไม่น่าจะสอนหลักวิชาสามปัญญาหกปิสัมมิทายานเป็นดเพียงสอนขั้นสุขวิปัสสโกอย่างเดียวก็พอตอนนี้พ่อพูดท้าพอทิมงโลกจะสงสัย คำว่าสุขัวิปัสสโกนีิหมายความว่าจิตสะอาดปราศจากกิเลสไม่มีความรักในเพศไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงจิตมีอารมณ์เป็นสุขจิตมีความเยือกเย็นไม่มีทุกข์มีอารมณ์สบายคือความเป็นพระอรหันต์แต่สําหรับว่าติวิชโชก็สา ม, มารถรลึกชาติได้ แล้วก็สามารถทำทิพยุขยานให้ปรากฏฉชนละพินโยหมายถึงว่าเมียพิญญาหกสามารถในระมิตรอะไรต่ออะไรได้มีทิพมีหูเป็นทิพมีทิพเปเจอร์กุยานแล้วก็มีเจโตพระยายานมีปุเพนิวาสานุสติยานเขามีอิทธิฤทธิมีฤทธิทางใจเป็นต้น สำหรับปฏิสมิธายานนั้นหมายถึงว่ามีความรู้พิเศษเอากันง่ายๆสามารถจะอธิบายรู้เรื่องธรรมะทุกอย่างทรงพระไตรปิฎกคำว่าไม่รู้ไม่มีและสามารถจะรู้ภาษาของสัตว์และภาษาของคนได้โดยไม่ต้องศึกษาแต่วเนื้อแท้จริงๆก็คือความเป็นอรหรันต นี่เว็นอนว่ามีบานท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าไมนายสอนแบบนี้เสี่ยงภัยเกินไปแต่พ่อก็ขอเตือนลกูกถ้ามีใครเขาถามว่าทำไมจะต้องเรียนพิญญาสมบัติทำไมจะต้องมีทิปจุกุญานคือเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้ทำไมจะต้องยกจิตไปท่องเที่ยวไปสู่ภพต่างๆได้ แล้วก็เจตเจตัวไปปฏิญาณการรู้าการสัตว์ที่หมายความรู้ว่าคนแลสัตว์ที่มาเกิดนี้ก่อนจะเกิดมาจากไหนแล้วก็ตายแล้วไปเกิดที่ไหนเจโตไปได้ญาณรู้จักว่าระน้ำจิตของบุคคลทั้งหลายคนแลสัตว์ว่ามันชอบอะไรมันต้องการอะไรไมันคิดดีหรือคิดชั่วและมีกิเลสตัวไหนบ้าง ปกเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาติต่างๆได้ถอยหลังว่าเราเกิดวันแล้วกี่ชาติเคยเป็นอะไรมาบ้างเรารู้ได้อตีตามสัญญานรู้เหตุการณ์ในอดีตอนาคตตามสัญญาณถอยหลังรู้เรื่องการในอนาคตที่รูมมาแล้วปัจจุบันนองสัญยานรู้ว่าเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ เนืาถามกมุตายานรู้ว่าเขามีสุขมีทุกข์แล้วเพราะผลอะไรเป็นสำคัญความจริงความจริงความรู้แบบนี้ถึงแม้ว่าเรายังไม่เป็นอรหันต์้วก็หารได้ถ้าใครว่าถามมาศึกษาทำไมก็ควรจะตอบว่าศึกษาเพื่อการความสงสัย จะได้ไม่สงสัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและมีความไม่ประมาทในชีวิตถ้ามีคนก็ถามว่าดูอย่างาพระเทวทัตเพราะใสยได้พิญญาสมาบัติ่ึงลงอเวจีมหานรกอย่างนี้ก็ต้องย้อนถามเขาลงไปว่าคนที่ได้พิญญาสมาบัติในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทจาทรงชีวิตอยู่ หรือว่าทรงนิพพานไปนแล้วก็ตามคนที่ได้พิญญาสมาบัติลงนรกกี่คนหรือคนที่ได้พิญญาสมาบัติไปนิพพานเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างบรเทวทัตถ้าไม่ได้พิญญาสมาบัติความยับยั้งก็ไม่มีจะต้องลงอเวจีตามกฎของกรรมท่านี้พรเทวทัตลงอเวจีเพียงแค่ระยะเวลาวันหนึ่งและอสองวันไม่ถึงหนึ่งวันก็อเวจี เพราะผลความดีที่มีความรู้ได้ปัญญามีการยักยังเหมือนกับคนตาดีเดินไปในกลุ่มน้ำเดินไปในในในรางแก้วที่แตกแตกแล้วถึงแม้จะวางเท้าลงไปก็ต้องค่อยๆวางพอมองเห็นแก้วมองเห็นน้ำเกรงมันจะบาดเท้าเกรงจะตามเท้าจะถูกเจ็บบ้างก็เล็กน้อยไม่เหมือนกับคนตาไม่ดี ไม่รู้ว่าที่นั่นมีอันตรายเดินสวบโฉบเข้าไปผลสดทั้งแก้วทั้งน้มก็ตามมาเต็มกำลังข้อนี้เฉันใด้แม้คนที่ได้พิญญาสมาบัตวิชาสามก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่ากฎข้อง ร, รมบางอย่างจะบีบคั้นก็จะมีการยับยั้งรู้ผิดรู้ชอบเหมือนกับคนที่รู้กฎหมายกับคนที่ไม่รู้กฎหมาย คนที่รู้กฎหมายเขาติกดกฎหมายก็จริงแหละแต่ถ้าว่าคขรู้ทางออกจะรับโทษก็รับโทษไม่มากไม่เหมือนกับคนที่รู้กฎหมายอยากจะทำอะไรก็ทําตามชอบใจดีไม่ดีติดคุ่ติดตา ร, รางเล็กเล็กน้อยน้อยคิดว่าขอมันเล็กน้อยแต่ที่นั้นได้ขอมันใหญ่แล้ยังคิดอยากจะฆ่าควายก็เกรงว่าหมาควายตัวใหญ่มันจะมีโทษมาก นี่เราฆ่าคนดีกว่าคนตัวเล็กโทษจะน้อยกว่าควายถ้าเป็นฆ่าเขาจริงๆฆ่าควายมีโทษนิดหน่อยฆ่าคนมีโทษมากกว่าดีไม่ดีไม่การฆ่าเขารู้สึกว่ามันมีโทษมากดา่าซะดีกว่าแอบไปดาปาา่าลรวมหาก็ใส่กระให้เจงไปเลยถูลงโทษฐานมินพระรมเดชานนภาพ ไปกันใหญ่ดาชาวบ้านธรรดาเสียห้าสิบบาทเสียร้อยบาทตัวดาพระมหาหกาสัสเตือนดาศาลคำว่าดาศาลจะไม่ได้ดาคนบนศาลถ้าดาชื่อคนที่นั่งอยู่บนศาลตัดสินออก็ชื่อไม่ออศาลให้ลำบากก็มันไม่มีโทษมากถ้าดาศาลสมหาว่าศาลไม่ยุติธรรมศาลไม่ ไม่เที่ยงตรงสารมีอกติสารคดสารกอ้อันนี้ถือว่ามิ่นพรบรมเดชานุภาพมีโทษหนักเป็นอนว่าคนที่ที่มีความฉลาดมีความรู้ถึงแม้จะมีโทษก็มีการยับยั้งขณะในการกระทําความผิดซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่ไม่รู้อะไรเลยคนที่ไม่รู้อะไรเลยนี่ไปเป็นเรื่องแล้ว ทำก็ทำลงไปเต็มอัตราสิบไม่เน้นนึกถึงบารบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ไม่รู้กฎของกรรมนี่เป็นอันว่าที่พ่อให้ลูกศึกษาวิชาความรู้ประเภทนี้แต่ก็ต้องระมัตระวังรักษาไว้ด้วยดีอย่าไปอดเขารักษาไว้ชำระจิตใจของเราให้จิตใจของเราเป็นสุข ที่พ่อพูดมาแต่แต่ต้นจนจบความจริงเรื่องมันยังไม่จบเพราะก็จบมันส่งทั้งนี้ก็เพราะว่าในสมัยปัจจุบันมีคนเขากลัวสงครามกันถ้งเกรงว่าสงครามจะเข้ามาถึงประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลัวโยวนถามว่าทาไมจึงกลัว แค่าาวายวนุนอเมริกาทิ้งอา ว, วุธไว้มากแล้วก็ยวนก็มีอา ว, วุธได้รับจากรักเสเทียด้วยในการก่อนก็รับจากจีนจีนแดงมีมากมายในการที่สองรัตนยุนมีลูกพี่แต่คนประเภทนี้พ่อตำแหนิงรุกรักเขายังไม่ทันจะตีก็เจ็บเขายังไม่ทันจะฆ่าก็ตาย ทำไ ม, มจริงจะต้องกลัวความกลัวทําไมจริงก็งมีในชีวิตของพวกเราคนไทยพอ่อก็จ่าจริงเล่นนํามาเรื่องราวต่งตางๆของพระเจ้าพรมหมาภิราชมาเล่าสู่กันฟังว่าสมัยที่เราแพาส้สงครามเราแพ้เพราะอะไรสมัยพระเจ้าพรมหมาภิราชหน่นแล้วไม่จะ่เลยว่าสมัยพระเจ้าพังการาชที่แพส้สงคราม เรายังไม่มีคนขายชาติแต่ว่าเรามีความประมาทประมาทเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าใครเขาจะมารบใครใครมาตีรันพันแทงมาฆ่าเราเราคิดว่าเราดีแต่ว่าคิดว่าแล้วก็คิดว่าเขาดีด้วยต่างคนต่างก็นับถือพระพุทธศาสนาด้วยกันไม่น่าจะมาฆ่ามาฟังกันแต่ว่าในที่สุด เขาก็จัดการกับเราจนได้ในโรงความว่าถ้าเราดีเกินไปเราดีเกินไปมันก็พาดพรั้งได้อย่านที่พระพุทธเจ้ากล่ว่าปรมาโทมจุนโอปงังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายย <c oughs> ิ่งแย่ถือว่าเราประมาทก็เธอได้ยิ่งแยะถือว่าประเพณีของเราไม่รบ ก, กันมาตั้งยี่สิบหกราชการ ไม่มีสงครามภายในแล้วก็ไม่มีสงครามภายนอกนี่ก็เป็นการไปเหตุอันหนึง่งที่เป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายไม่เตรียมการสงครามจะถือว่าประมาทก็ประมาทจะถือว่าในเมื่อเรื่องมันไม่มีจะเกณฑ์ทหารไปทําไมที่ตรงกันข้ามกับคนจังไรคือเจ้าขอมดํามีมันมีใจไม่หิดคิดมีชอบ เรียกว่าไม่ยอมปฏิบัติเป็นด้ความดีเห็นได้ทีมันก็ซ้ำมันก็ซ้ำเต็มมันก็ยึดอำนาจเป็นอนว่าครั้งแรกเราพลาดเพราะเราประมาทพอมาครั้งหลังนี่เราไม่พลาดแล้วเรามีคนน้อยกว่าเขาเราไม่มีอิสรภาพในความคิดในความอ่าน พวกสิ่งทุกอย่างทำอะไรทุกอย่างเราปิดบังกันหมดแต่าสิ่งที่สำคัญแปลว่าสำคัญก็คือหนึ่งกำลังใจพระพุทธเจ้ากล่าวว่าศรัทธาความเชื่อมีความสำคัญให้เชื่ออะไรกันละอันดับแรกทีเกเก่เชื่อก็เชื่อว่าลูกชายข้าพเจ้าพังการาตองที่สอง จะเป็นพระเจ้าขี่ม้าขาวมาโก้คนไทยโหนไยากรบอกว่าเด็กคนนี้เกิดมาไทยต้ อ, อิสรภาพ้อมจะพินาศโ ด, ดยกำลังของเด็กเรื่องนี้แพร่สะพัดไปคนไทยที่มีความทุกข์อยู่แล้วมันก็คนที่ลอยเรืออยื่ล้ำน้ำถ้าใครก็ส่งอะไรให้ก็เกาะ เมื่อท่านหลายเหล่านั้นเกาะด้วยการแห่งความเชื่อมัน่นการรวมกําลังใจกันก็มาอยู่ที่เด็กความจริงตอนนั้นเพื่อจะเข้าขันยังไม่เป็นตัวความเชื่อมั่นเกิดขึ้นความดีใจเกิดขึ้นอารมณ์ใจก็มีความสุขการรวมตัวเกิดขึ้นคราวนี้คิดว่าเราต้องชนะละ เราต้องเป็นอิสรภาพเราจะไม่เป็นท่ายของขอมต่อไปเราจะขายายนาเขตไปกวา้างเราจะมีดินดใดนไกลแสงไกลเราจะมีความสุขใจคือความมีความอุดมสมบูรณ <c oughs> ์ในตัวความเชื่อในตัวแรกมีความสำคัญจุดรวมใจอย่างประเทศเราไทยเราในปัจจุบัน จุดรวมใจก็มีอยู่สามสถาบันหนึ่งธระมาหากษัตริย์สองศาสนาสามรัฐบาลแต่ว่ารัฐบาลนี่บางทีก็รัดกิวเกินไปบางทีก็บานมากเกินไปนั้นพ่ออยากจะขอร้องบรรดาลูกรักของพ่อทั้งหมด สำหรับพระาศาสนาคงตัวแต่คนที่อยู่ในเครื่องแบบของพระาศาสนานี่ก็มีความสำคัญดีไม่ดีก็เลวเกินไปเหมือนกันที่ชั่วก็มีที่ดีก็มากเราก็ต้องเลือกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเนื่องพระพุทธศาสนาปัญญเกตตางเป็นพระสมเป็นเนื้อนาบุญของโลก เราก็ต้องเลือกเรื่องนาบนเหมือนกันจะบูชากันทั้งทีก็ต้องดูความดีไม่สมองมว่าบูชาสรนเด็กเป็นเอาวารวมความว่าอรพุทธศาสนานดีแต่ให้เลือกคนในพระพุทธศาสนาสำหรับพระมหากษัตริย์การที่เก้ากับพระสำเร็จพระบรมราชินีนาฏ กับพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าลูกยาเทอก็รู้สึกว่าดีแต่ว่าคำว่าดีนี่รู้รักเราก็จะต้องรู้กันว่าคนทุกคนนะถึงแม้ว่าจะเป็นพระอรหันต์ก็ย่อมทําอะไรไม่เป็นที่ถูกใจของบุคคลบางคนบางกรณีนี่เป็นของธรรมดาเราต้องถือเหตุใหญ่ไปสําคัญสําหรับคณะรัฐบาล น, นี้ก็เช่นเดียวกันรัฐบาลไม่ใช่คนคนเดียว แใ น, นก็รัฐบาลก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์เราก็ต้องให้อภัยกันสําหรับเรื่องที่มีความไม่สําคัญอันไหนมีความสําคัญเขาทาดีแล้วก็สรรเสริญแต่ว่ารัฐบาลจะดีและไม่ดีก็อยู่คนที่พวกนหนึ่งที่เราเรียกแต่ว่าผู้แทนที่พ่อพูดมาแล้วสําหรับคนที่เข้าเป็นผู้แทนและสันดอนี่คนประเภทนี้สําคัญ ถ้าลงไม่ดีแล้วบ้านเมืองพังกันแน่พอาอยากจะฝันไว้เสมอว่าคิดว่าผู้แทนไม่ควรจะเป็นรัฐบาลถ้าลงเป็นรัฐบาลท่เองแล้วพูดไม่ออกเข้าไปคนเดียวไม่พอมีเพื่อนมีฝูมีพวกมีพ้องมี พ, ม พ, ม พ, มพี่มีน้องทำความช่วย คนที่ไปเป็นรัฐบาลก็ไม่อยาไม่กลา้าจะทําอันตรายมากเอเกรงว่าไว้ความชั่วทันไหนเหล่านั้นมันจะสะท้อนมาถึงตัวแต่ว่าถ้าตอนเองทําความชั่วเสร็จแล้วไอ้เจตนาที่จะทะนุลงบ้านเมืองมันก็ไม่มีนี่พ่อกลัวเท่านี้นะไอ้ที่เขาบอกว่ารัษฎรผู้แทนรัษฎรต้องท่าประชาธิฐปไตยรัฐบาลต้องมาจากผู้แทนรัษฎร พอคิดว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยควรไม่มีพรรคการเมืองให้ทุกคนมีอิสระในความคิดและการรัศดรทุกคนมีอำนาจจะถอดถอนผู้แทนของเขาได้ถ้าผู้แทนเขาไม่ดีเขาจะโหวตกันบอกคู้แทงคนนี้ไม่ดีเอาออกไปไม่ใช่มารอสี่ปีห้าปีอย่างที่ปฏิบัติกัน และในการดีสองผู้แทนรัษดรทั้งหมดอยู่ในฐานะผู้แทนไม่ร่วม ง, งานกับรัฐบาลร่วมความว่าคอยจับผิดรัฐบาลแล้วก็คอยสนับสนุนรัฐบาลถ้ารัฐบาลทำผิดก็จับผิดลงโทษลงโทษในฐานะที่มีอำนาจตามที่ตนมีอยู่ถ้ารัฐบาลทำดีก็สนับสนุน แล้วก็หาเวลาออกวยเยี่ยมเยินรสนดรในยามปกติเว้นจากเวลาประชุมมาเว้นจากสมัยประชุมก็มาเยี่ยมบรรดาประชาชนทั้งหลายจยางนี้จะมีความสุขดีนี่รวมความว่าที่พ่อพูดมานี้ก็เพราะสายหนึ่งคนกลัวสงครามความจริงไม่มีอะไรน่ากลัวเมื่อจะแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะ แต่ว่าก่อนจะแพ้แลวก่อนจะชนะต้องสู้กันแท้เต็มที่ก่อนแล้วันนีสุดก็ดูตัวอย่างสมัยพระเจ้าพรมหาราชนอนเราไม่มีทางจะสู้คนได้เราก็สู้ได้เพราะอาศัยการที่รวมใจกันความจริงลูกรักของพ่อทั้งหมดเวลานี้ลูกรบกระสงครามสำคัญคือยีเรศ สงครามภายนอกนั้ น, ล, นลูกเป็นเรื่องเล็กๆสงครามกล็กมีความสำคัญแต่ว่าเทปหน้านี้มันหมดแล้วนี่เอาไว้ฟังกันหน้ า, าใหม่ต่อไปคนแล้วรังสำหรับหน้านี้ขอยุติไว้แค่เพียงเท่านี้